ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัฒเช้าเรื่องนอนกับการปฏิบัติธรรมโดยพ่อท่านโพธิรั์เนื่องในงานปลุกเสกพระแท้ๆของพุทธครั้งที่5เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2524ณนะพุทธสถานศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกตขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ ก็จะขอเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องที่จะบอกสำคัญก็คือเรื่องของการนอนการนอนนี้เป็นทุกอย่างยิ่งขณะนี้ผู้ใดที่ร่าเริงในธรรมผู้ใดที่สลัดตัดการนอนออกได้และก็ตั้งใจรู้ว่าตัวเองไม่มีอารมณ์ที่ง่วงเหงาหาวนอน อารมณ์ของเราตื่นโปรงแจ่มใสผู้นั้นมีบุญแล้ขณะนี้นั่งนั่งฟังธรรมด้วยจิตเปิดเต็มสว่างสวยัยและมีความเอาใจใส่จิตใจนี่เป็นจิตตังเป็นจิตเต็มเป็นโยนิโซนิสมนสิการคือเป็นจิตที่เอาใจใส่ในขณะที่ฟังธรรม ใจจดใจจ่อแล้วฟังแล้วรู้สึกเข้าใจหมดร่าเริงเบิกบานผู้นั้นมีบุญแล้วขณะ น, นี้แต่ถ้าผู้ใดมันยังห่วงหาอาวรรถดับรถนอนนะคุญนะฟุง้งทราบไปในอารมณ์ผู้นั้นยังไม่มีผู้นั้นยังไม่มีบุญคือยังชำระไม่ดีฟังธรรมยังไม่เต็มที่เราพยายาม อ่านอ่านอารมณ์ของเราอ่าน ด, ดีรู้สึกถึงอารมณ์ของเราว่าขณะนี้เราตื่นจิตที่ตื่นที่ไม่มีอารมณ์กามไม่มีอารมณ์ปิยาบาตไม่มีอารมณ์ง่วงเหาเหงานอนหรือไม่รีง่วงเหงาเหงานอนนี่มันจะง่องมากๆแล้วนะมันรีรีมันซึ ม, ซ, ม, ซ, มซึ่งซึ่งอย่างมันไม่ตื่นขึ้นมาฟังอย่างล่าเริงที่ นั่นเรีกว่าทีนันมิทะหรือ ว, ว่าง่วงง่วงซึมอยู่ทั้งนั้นนัน่นบอกให้ตื่นโพล่งเบิกบานราเริงสดชื่นนั่นเรียกว่าตเต็มแล้วก็ไปฟุ้งไปที่อื่นความนึกความคิดมันจ ะ, จะกระจายไปอื่นจดจ่อฟังทำอยู่เต็มทุกคำทุกความทุกความหมายฟังแล้วมีพิรณาอยู่ในใจ มีการอ่านรู้ฟังแล้วก็รู้ใจมีตัวตัวพิจารณามีตัววินิจฉัยอยู่ในใจของเราเพราะเราฟังแต่มีวินิจฉัยฟังฟังเออเข้าใจมีเหตุผลนี้มันมีอยู่ในใจเราเนี่ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนและอ่านใจของเราอย่างนี้ให้ชัดอย่าสงสัยอ่านจนไม่สงสัยเมื่อเห็นใจของเราว่าใจเราไม่มีกาม ไม่มีพยาบาทไม่มีความหรีง่วงเศร้าซึมใจของเราเป็นความเบิกโพร่งตื่นสดชื่นราเริงและถ้ายิ่งยินดีพอใจในการได้ฟังอย่างนี้ด้วยก็ยิ่งเป็นอิทธิบาทเต็มคือมีฉันทะมีความยินดีมีความวิริยะเพียรตั้งใจฟังนะ ตั้งใจอยู่ดีเลยทีเดียวเพียงพยายามและมีจิตเต็มมีจิตตัดมีวิมังสาคือฟังไปแล้วก็ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจรู้ว่าเราได้ฉลาดขึ้นโอ้สิ่งไม่ได้รู้ก็ได้รู้ขึ้นหรือว่าสิ่งที่ได้รู้นี่ตรงกับที่เรารู้หรือสิ่งที่ได้รู้นี้เราจําแม่นขึ้นแม่นขึ้นบางทีมันได้เคยรู้แต่ว่าไม่ค่อยชัดนักไม่ค่อยแม่นนักพอได้ยินท่านพูดโอ้แม่นขึ้นแล้ว นี่มันเาลารางเรือนลางเรือนไปหรือเพียนเพียนอยู่ตอนนี้ชัดๆขึ้นอีกแม่นขึ้นอีกหรือพูดที่แม่นแล้วก็มั่นขึ้นแม่นแล้วก็มั่นขึ้นมาเหนียวแน่นขึ้นยืนหยัดขึ้นยืนยงขึ้นยิ่งซ้ำยิ่งย้ำยิ่งไม่เคลื่อนคลายไม่แทนครอนไม่ล่วงไม่รุดแน่นหนาในความจำแม่นนี้เป็นสัญญาจำแม่นกไปอีกก็สิ่งที่ดีนี่จำแม่นก็ไม่เป็นไร ไม่เสียหายอะไรเป็นกำไรนะวันเมื่อฟังทำด้วยฌานจะเกิดอนิสงส์อนิสงส์ถึงการบรรลุธรรมเพราะว่าการฟังธรรมสามารถบรรลุธรรมบรรลุจริงๆนะไม่ใช่บรรลุเล่นๆบรรลุเป็นพระอริยะพระโสดาสกิทาอนาคาหรือเป็นอหรหันต์ตามแต่ภูมิของเราแต่ขั้นของเราที่เราเป็นนอมีจริง ฟังธรรมก็บรรลุธรรมได้พระพุทธเจ้าจัดไว้ว่าการบรรลุธรรมมีอยู่3มีอยู่5การบรรลุธรรมมีอยู่5、5หทาง 1. ฟังธรรมบรรลุธรรมได้ 2. เทศนาแสดงธรรมเทศนาอย่างอาตมานี่แสดงธรรมไปแสดงธรรมไปเนี่ยอาตมาก็สามารถบรรลุธรรมใน การแสดงธรรมนี้ได้หรือพระบางท่านพระบางองค์หรือคุณเองอะไรบางทีไปแสดงธรรมให้คนอื่นเขาฟังไปพินิจพิจารณาไปด้วยสามารถที่จะยัง่งยานตัวเองเรื่อยๆจริงๆที่ตนเองเป็นตัวเองมีการแสดงธรรมก็สามารถบรรลุธรรมได้การสาธยายธรรมเรียกว่าสัจชายะหรือสาธยายท่องทวน สาธยายไม่ใช่แสดงธรรมต่างกันทักแสดงธรรมเทศนากับสาธยายธรรมนี่ต่างกันเทศนาธรรมก็คือแสดงให้ผู้อื่นก็ฟังกันอย่างตั้งอกตั้งใจแสดงนั่นเองว่าแสดงธรรมส่วนสาธยายธรรมหมายความว่าท่องทวนท่องมนหมดมนท่องระลึกทวนที่เรามีธรรมมาอย่างไรยังไงก็ท่องทวนขึ้นมาท่องทวนขึ้นมา ธรรมะที่เป็นบทเป็นธรรมเป็นอย่างโน้นอย่างนี้เราท่องทวนขึ้นมาก็สามารถบรรลุธรรมได้อย่างที่ท่านสวดมนต์นี่ท่องทวนนี่ยทวนไปแล้วก็ให้มีจิตพิจารณาด้วยนะไม่ใช่ท่องทวนปากเปล่าที่ไม่มีสมาธิ <c oughs> การสวดมนต์ท่องทวนที่ไม่รู้ความหมายเป็นนกแก้วนกขุนทองนั้นไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมเมื่อกี้นี้พาท่องทวนในบท ต้องหงบ้างบทนั่นบทนี่บ้่งแต่เป็นภาษาบาลีเราก็จะรู้ความหมายยากจึงบรลุธรรมยากแต่ถ้าใครพอรู้ความหมายแล้วก็รู้ไปพิจารณาไปทุกทีทุกวันแม้จะเป็นภาษาบาลีเรารู้บ้างตั้งแต่ต้นเป็นเขา้เขาๆแล้วเราก็พิจารณาตามทุกครั้งที่ทุวงท่องทวนพิจารณาเราก็จะเข้าใจหรือว่าทบทวนเวลาไปเปิเปดตำราเปิดคำแปลเปิดบทแปลเปิดไอ้นี่ไอ้นี่ผสมผสไปอีกเรื่อยๆมันก็จะระลึกผสมผสกัน ท่องทีไรทวนทีไรเราก็มีสมาธิพิจารณาติดตามไขความไม่ใช่ท่องปากเปล่าไม่ใช่ท่องเป็นนกแก้วนกคุณทองการท่องทวนบททวนที่ท่องแม้แต่บททวนอย่างเมื่อกี้นี้บทบาลีเนี่ยจะทําให้เราบรรลุทำได้โดยบทท่องสั้นนั้นแค่นั้นแหละสั้นๆนั้นแหละได้การสาธยายท่องทวนนี้จึงสามารถบรรลุทำได้บรรลุได้จริงๆนะ ได้รู้ได้ลึกได้ซึ้งขึ้นมาจริงๆเพราะฉนั้นท่องบทมนต์พาท่องแม้แต่นโมตสักก็ให้มีปัญป ญ, ญาพิจารณาตามคําความนั้นเคยแปลให้ฟังมเมื่อใดรับคําแปลก็ให้ทำความเข้าใจความรู้ตรงตามไปด้วยแล้วเราจะสามารถแทงลึกลึกลกึสามารถเข้าใจได้ถ้ามันหลงว่าจะผิดทวนจากตําราที่เราควรนับถือ ตำราหไหนที่เราเชื่อวานานับถือเอามาทวนเอามาเปิดเอามาทบเอามาทวนอีกทวนอย่างนั้นก็เป็นการท่องทวนเหมือนกันหรือเป็นการอ่านทว น, เ ป, น, ทวนเป็นการทำความรู้ทวนแล้วเราจะบรรลุได้โดยการทวนนี่การทวนสีการพิจารณาตรีตรองพิจารณาตรตรองหยิบอะไรขึ้นมาพิจารณาติดตรองหยิบคำเดียวความเดียวธรรมะบทเดียว หรือว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องใดพิจารณาตรีตรองไตรตรองก็จะสามารถบรรลุทำด้วยการพิจารณาตรีตรองไตรตรองได้จริงๆห้าการเป็นสมาธิคํานี้เป็นคํารวมหรือการทําสมาธิทีนี้คนเข้าใจสมาธิแบบฤาษีก็เลยเป็นนึกว่าเราไปนั่งหลับตา ที่จิงนั่งหลับตาก็สามารถบรรลุธรรมได้ถ้านั่งถูกถ้านั่งถูกสมาธินั่งแล้วก็พิจารณาหรือว่านั่งแล้วก็วิปัสสนานั่งแล้วก็วิปัสสนาหรือนั่งพิจารณานั่งและทำจิตให้ถูกต้องว่าทางธรรมะของพระเจ้าทาอย่างนี้หนึ่งจะนั่งเป็นแบบสมถะคือนั่งแล้วก็ทำจิตให้วางทำจิตให้ สลับหรือว่าทําจิตให้ไม่มีอารมณ์นิวรณ์ทั้งหลายจริงๆแล้วก็อ่านจิตเห็นจิตหรือจิตก็เป็นสมถะปราศจากนิวรณ์แล้วก็นั่งสงบอยู่ซึ่งไม่ใช่ง่ายถ <c oughs> ้าขณะนี้พวกคุณฟังธรรมเนี่ยจิตมันไม่มีนิวรณ์ไม่มีอารมณ์การไม่มีอารมณ์พยาบาทไม่มีอารมณ์ง่วงเหงาหาวนอนไม่มีอารมณ์ทีน่ะแล้อารมณ์ฟุ้งซ่านไปไหนเลยเห็นจิตตัวเองใสโปร่งฟังธรรมอยู่อย่างตื่นโปรงเบิกบานอยู่เนี่ย ขณะนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นจิตเป็นฌานและได้ฟังภาษาบรรยายธรรมเข้าไปอยู่เรื่อยเรื่อยจิตมันก็ตื่นนเรื่อ ย, อยมันก็ไม่ค่อยง่วงง่ายเพราะว่าเราใส่ใจทำยิ่งเราฟังแล้วเกิดรสฟังแล้วเกิดรู้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสเกิดปรรัญญาฟังก็เกิดอินทรีย์พละเพราะฟังแล้วอู้ศรัทธาฟังดีจังเลยเกิดปัญญาเรื่อยเกิดรู้เกิดเข้าใจเกิดมีรสธรรมฟังก็มีวิริยะ มีสติตื่นอยู่เรื่อยเพรฟังแล้วมันเกิดฉันทะมันเกิดความยินดีฟังแล้วมันเกิดความพอใจเกิดได้รับ ม, มันได้รับผลเป็นธรรมรถฟังไปก็ยิ่งยินดียิ่งร่าเริงยิ่งมีความเพียรยิ่งมีสติสัพพัญญาก็เป็นสมาธิเป็นปัญญาของเราเรื่อยไปสมาธิก็ได้ปัญญาก็ได้รัททะก็เกิดเราก็มีความเพียรขยันที่จะฟัง ในระขณะที่เราฟังนี้มันก็ไม่หลีง่ายไม่หลับลงเพราะเราเกิดฟังธรรมมีมัสมีผลฟังธรรมมัมันมีธรรมรสเพราะใครฟังธรรมนี่มีธรรมรสอยู่มันก็ไม่เกิดกิเลสไม่ได้สั่งสมกิเลสแต่ถ้าผู้ใดนั่งฟังธรรมแล้วมีกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วก็ไม่ได้รับรสธรรมมันก็จะนั่งปล่องปล่าไม่เปล่าซวยด้วย คือมีกิเลสผสมด้วยอาทิ น, นี้อีกอันหนึง่งถ้าพวกคุณไม่ได้นั่งฟังธรรมไปนั่งเองทาสมาธินั่งเองไม่มีใครเทศไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดรถใดธรรมเราก็ต้องรักษาอารมณ์ให้มันวางโปร่งว่างเฉยไม่มีกิเลสนิวรณไม่มีกาไม่มีพยาบาทไม่มีง่วงไม่มีฟุ้งซ่านเห็นจิตตัวคุมจิตตัวอ่านจิตตัวเองอยู่เฉย มันก็จะหลับง่ายเพราะการไปนั่งหลับตาแล้วก็ไม่มีใครมาเกี่ยวข้องไม่มีใครพูดไม่มีใครคุมไม่มีใครทำอะไรนั่งเฉยเราก็ตรวจจิตเราเราก็ดูจิตเราเนี่ยมันจิตมันก็ว่างวางวา ง, วางแล้วมันก็จะหลับง่ายถ้าเราไม่ได้ฝึกไม่ได้ปลื้ไม่ได้หัดขึ้นมาว่าจิตว่างนี่ดีนะอารมณ์นี้น่าเสพอารมณ์นี้สบาย อารมณ์นี้ให้รู้ให้ได้ทำให้ได้แล้วก็รู้ให้ได้แล้วก็ระลึกอยู่กับจิตว่างนถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ติดใจแล้วเราก็ทำไม่ได้ถ้าเราเข้าใจก่อนแล้วเราก็ไปทำดูทำดูเห็นว่าจิตมันว่างโอ้ดีสบายก็ไปติดใจติดมากๆเขาก็จะติดใจติดใจก็จะนั่งทำแต่จิตว่างๆก็จะติดอารมณ์แบบนั้นพอติดแล้วทีนี้ไม่อยากทาอื่นแล้วอยากจะนั่งงงว่าง มมันมันดีบยนั่งเอาแต่ว่างๆๆๆพวกฤาษีที่เอาแต่จิตนั่งจิตหลับตาไม่มีทางแก้ไม่มีทางแน่ปล่อยไปนั่งหลับตาแล้วก็ติดกินแล้วเสร็จก็นั่งอา้านั่งไปเลยเพระโยคาวจอนท่านเอาแต่นั่งแล้วก็ติดจริงๆอร่อยไป <c oughs> ถ้าไม่มีอะไรอื่นก็ยังดีเป็นกินเลสว่างก็ยังค่อย่ชั่ว ทีนี้ถ้าบอกว่าทำเขามากมันไม่กิเลสบ้างอย่างเดียวสิมันว่างมากๆนะมันก็เบื่อก็เซ็งเหมือนกันก็ทำโน่นทํานี่ปั่นโน่นปั่นนี่ปั่นรูปเทวดาเทวดาปั่นอะไรอะไรต่างนานาเข้ามาเลิะเลยนั่นคือสมาธิที่มันจะแปรเปลี่ยนออกไปพูดถึงสมาธิก็ต้องแนะเสมอว่าทิศทางไหนเป็นสมาธิติทิศทางไหนเป็นมิจฉาทิฐิมิจฉาทิฐิหมายความว่าเป็นความเห็นที่มันผิด สัมมาทิฏฐิหมายความว่าความเห็นที่มันถูกคนแนะให้เข้าทางถูกเสมอเพราะงั้นการนั่งหลับตานี้ถ้าไม่รู้จริงสอนกันเรีกว่าให้ทําฌานนั่งหลับตาก็ผิดง่ายๆฌ า, านไม่ใช่รู้ง่ายเดี๋ยวนี้ก็มีปนเปรื้พูกันเลอะเทอะเยอะแยะมาถ้าบอกว่านั่งหลับตาแล้วจะพิจารณาจิตว่างๆทาจิตให้ว่างถ้าเรียกว่าทาเจโตสมถธิ ให้จิตมันสงบจิตว่างๆง่ายเฉยทีนี้เมื่อจิตเราว่างโดยจิตเป็นฌานแล้ววิปัสนาวิปัสนาก็คือพิจารณาจะระลึกย้อนเมื่อจิตเราว่างดีจิตเราไม่มีอารมณ์นิวรณ์แล้วเราก็นึกถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ผ่านมามาพิจารณาไปตอนนี้มันไม่มีอะไรมากหรอกเราจะพิจารณาเป็นปัจจุบันธรรมวิปัสนาโดยตาของเราเราก็หลับอยู่มันจะไม่เห็นสีเห็นภาพอะไรพิจารณาอะไรไม่ได้ มืนถ้ใครบอกว่าจะตั่งหลับตาแล้วก็ไปเห็นภาพไปเพ่งเทียนไปเพ่งโน่นเพ่งนี่เพ่งสีเพ่งอะไรมาก็เป็นแต่เพียงให้จิตสงบถ้าเพ่งมาแล้วก็จะหลงเทียนเป็นก๊าซินไฟแล้วก็เอาไฟไปไหม้ไปเผาไปอะไรนะเดรฉานวิชาไม่ใช่เรื่องเลยซึ่งฤาษีก็สอนมาแล้วก็ละอธิบายกันออกเจอ ไปเพ่งน้ำมาเป็นกระสินน้ำแล้วก็เอาน้ํำมาเปน็นนันนนีนีนนนแล้วก็ไปเดินบนมาบนน้ําบนดินอะไรเพ่งดินมาแล้วก็ไปเดินบนดินให้มันทะลุลงไปได้อะไรเหยียบบนน้ําก็มาให้มันแตกแล้วก็จะไปเดินบนน้ําแบบที่เขาบอกว่าเป็นอิทธิวิธีแล้วก็ไปเดินบนน้ำเหมือนกันอันนั้นเป็นเดราชาไม่ฉาบไม่มีในตําราพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนพาทําำ มันแม้จะไปเพ่งดินน้ำไฟลมก็เป็นของเก่าแต่รสีจะเอามาเป็นข้อแรกที่เราจะไปจับให้มันจิตมันไม่สั่สายแล้วพอเวลานั่งหลับตาเข้าจะบอกว่าเป็นปุกหานนิมิตคือเอาภาพดินหรือภาพน้ำภาพไฟอะไรเข้าไปไว้ในใจล่อให้จิตมันไม่ฟุ้งซ่านสั่สายซักชั่วประเดี๋ยวก็ได้แต่เมื่อแปรเป็นปฏิภาคคณิมิตแล้วจิตก็จะต้อง ปฏิภาคนิมิตก็คือเอามาทําส่วนที่ถูกต้องปฏิภาคนิมิตมาทํานิมิตหมายในทางธรรมคือมาวิปัสสนาวิปัสสนาทําอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านก็ทำให้ทําเตวิชโชท่านซ้อนทามานั่งทําเวลาจิตนั่งอยู่คนเดียวพิจรารณาแล้วก็ทำเตวิชโชถ้าไม่ทําเตวิชโชก็ให้พิจรารณาธรรมโดยจรงิง ปัจจุบันเนระาทขณะนี้จิตของเราเกิดอยู่ตั้งขึ้น เ, เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตของเราเป็นไงอ่านอ่านอานนั่นคือดูจิตว่ามันเกิดแล้วมันว่างหรือไม่ว่างถ้ามันไม่ว่างก็ทําไม่ว่างถ้ามันว่า ง, าางก็ดูเป็นจิตเจโตสมถะถ้าใครทากกําจนกระทั่งตั้งมัน่นจิตว่างนั่งว่างในดีแล้วทีนี้อย่าเสกเมื่อทำว่างในแล้วอย่าเสกให้บุพเพนิวาสานุสติญาให้ระลึกถึงความหลังความเก่า แล้วลึกถึงเมื่อวานนี้วินาทีที่แล้วเรื่องเดือนที่แล้วปีที่แล้วอะไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดอารมณ์เกิดสัมผัสสัมพันธ์มาเอาเรื่องนั้นมาพิจารณาว่าอะไรกุศลอะไรอกุศลอาการเป็นอย่างไรกายอาการวัชพีเป็นอย่างไรอาการของมโนเป็นอย่างไรในตอนนั้นตอนนั้นหยิบมารรึกหยิบประทบทวนแล้วเราจะรู้ดีรู้ชั่วเราจะรู้เกิดรู้ดับอ๋อจิตของเราเกิดตอนนี้สัมผัสตอนแรกมันยังไม่เกิดแรง พอเกิดคนนั้นพูดด่าเติมมาอีกร้อนขึ้นหน่อยหนึ่งด่ามาเติมกันที่สามป้าตอนนี้จิตเราขึ้นแรงอย่างงั้นจิตเราขึ้นอย่างนี้ตอนนี้เปรี่ยงเลยนี่เนีเ่ยซัดเปลี่ยนก็หายแล้วเพราะจิตมันเป็นอาการอย่างนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้มันจึงเกิดออกไปเลยทั้งไม้ทั้งมือเราจะได้ระลึกได้และจะรู้ว่าโอ้นี่มาแต่จิตมโนปุดพังเข้ามาธรรมามโนเสรามโนมยา มาแต่จิตเนาะเป็นเหตอุอย่างนี้อย่างนี้พอได้รับเหตุปัจจัยอย่างนี้เสริมเข้ามาอย่างนี้มันจะเกิดแรงขึ้นแล้วเราก็ระ ง, งับไปได้อย่างนี้หรือเราเคยปฏิบัติมาแล้ว <c oughs> พอเราได้รับเหตุปัจจัยแต่เราก็ยังยังรับยังหัดได้ปฏิบัติทำได้ลดได้ขมได้โอ้ดีนั่นนี่เราเก่งถ้าเราไม่ปฏิบัติทำป่านนี้เราก็ขึ้นบื้วขาสัดเปลี่ยงสัดเปล่างไปแล้วแต่พอเราได้ปฏิบัติทำแม่ได้รับ เหตุปัจจัยเติมทุน ด, ดาหนักเข้าก็ยั่วยวนหนักขึ้นเขารูปไปยัว่วเขารถไปยัว่วเข า, เากลิ่นมายัว่วเราก็ใจลดได้เย็นได้ลดก็เก่าได้เย็นได้เราก็จะเห็นว่าโอ้ปฏิบัติมีผลปฏิบัติมีวิราธรรมปฏิบัติมีสันเลขธรรมปฏิบัตินี้มีสติปัฏฐานกําหนดรู้อยู่มันทําให้เราไม่ไม่วุ่วามไปไม่ถูกยั่วยวนไปสามารถคุมได้สามารถลดได้จางได้เบาได้ในคานั้นครั้งนั้น เราก็จะเข้าใจเราก็จะเห็นว่าเราปฏิบัติถูกแล้วถูกแล้วเราทำได้จริงเมือนนม่อนั่นเมื่อนีเป็นอ น, นิสงเพิ่มเติมเพ่นเพราะเราทำจึงมีได้เพราะเราได้และเราก็จึงชำนาญเพราะเราชานาญทำได้มากจึงเก่งขึง้น <c oughs> นักเขาก็บอกโอตอนหลังมาเรากระทบปุ๊บแม่แรงมันก็ไม่มีอาการไม่มีอารมณ์ทบทวนดูคุณจจะไม่งมงายคุณจะรู้ว่าคุณได้ทำจริงมีจริงเป็นจริงเมือนนม่อนั่นเมื่อนีตสอบตรวจสอบอยู่เสมอ ก็จะเข้าใจลึกละเอียดอีกบางอันมันผ่านมันคิดไม่ทันหรอกแต่เวลามาทบทวนนี่มันจะทันเพราะฉะนั้นบุพเพนิวาสานุสติจึงสําคัญมีเวลาว่างเมื่อไรเราก็ทบทวนก่อนนอนบ้างตื่นนอนบ้างเวลาอย่างนั้นสงบสงัดเรานึกทบทวนเรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณจะเห็นความเกิดความดับเกิดดับของอะไรเกิดดับของกรรมจะเห็นความเกิดดับของกรรม คือการกระทําทางกายที่ออกมาการกระทําของวาจาที่ออกไปมันเกิดแล้วแล้วก็ระลึกถึงความเกิดที่มันเคยเกิดของเราเนี่ยผ่านมาแล้วและมันคือมโนกรรมจิตนี่แหละเป็นตัวเอกจิตนี่แหละพาให้มือออกไม้ออกจิตนี่แหละพาให้วาจาออกจะอยากจะทายหรือว่าจะดี ่จะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลเราก็จะแยกกุศล อ, อ, อกุศลออกด้วยความจริงที่ของจริงอย่างนั้นมันถ้าเป็นนั่งวาดนึกเอาเป็นนั่งหลับตาเข้าแล้วก็ไประลึก ถ, ถึงเมืองโ น, โน้นเมืองนี้ไอโน้นไอนี่ปั้นสร้างอยากจะเห็นโ น, น้นอยากจะเห็นนี่นั่นคือวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสนา ถ้าพิจารณาดังกล่าวนี้ตามหลักธรรมวิจามีบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วจะเกิดการรู้ความเกิดความดับของกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมโดยเฉพาะมโนโหรืออารมณ์อ๋ออันนั้นอารมณ์เราเกิดอย่างนั้นตอนนี้อารมณ์เราเกิดอย่างนี้อารมณ์ uh, ราคะอารมณ์โทสะอารมณ์โมหะแม้ตอนนั้นเราโมหะจริงๆเราเข้าใจผิดตอนนี้เราเข้าใจถูกหรือตอนนั้นเราเข้าใจถูกมันจึงลดโทสะได้ มันจึงลดราคาได้เราจะเห็นความเกิดความดับของจิตเป็นตัวบงการในว่ามโนปุกพังขมาธรมามโนเสถามโนมยาจะเห็นความเกิดความดับอันนั้นจริงๆจริงๆเมื่อเห็นความเกิดความดับจนเห็นความไม่เกิดไม่ดับ <c oughs> เห็นว่าจิตของเราตอนนั้นไม่มีเกิดไม่มีดับเลย <c oughs> นั่นแหละคุณเห็นจุดนิพพานของจิตของตัวเองทุกเมือ่อ เห็นจริงเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นเห็นจริงเมื่ อ, อไหร่เมื่อนั้นคุณตรวจอ่านของจริงนะแม้จะนั่งอยู่คนเดียวระลึกทวนนี่ก็ทวนของจริงไม่ใช่คุณไปทวนเพอเพระ ล, ะลึกชาติไปดูโอ้ตอนนั้นเราเกิดเป็นพระเจ้าเสือกําลังจะไปชกนายขนมต้มอตอนนั้นเราเป็นพระนเรศว ร, รกําลังจะลบกับพระมหาอุปราชาอตอนนี้เราเป็นเทวดาองค์นั้นตอนนี้เราเป็นอันนี้องค์นี้ยิ่งเพอใหญ่ไม่รู้ว่าใครรับรอง ถ้าไปเอาตัวประวัติศาสตร์ก็ยังพอจะทำเนาแล้วก็ระดึกไปเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้เรื่องใดราวอะไรไม่รู้ความเกิดความดับไม่รู้ความจริงที่แน่นอนแม้แต่ชาตินี้เราก็ยังไม่แน่นอนอย่างนี้ไม่เกิดผลแต่ถ้าระดึกถึงสิ่งจริงที่แนะนำนี้ถึงกรรมที่เราได้กระทามาจริงกรรมเป็นการเกิดแต่ระดึกถึงความเกิดเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติก แล้วกะระลึกแล้วมันได้ญาณญาณแปลว่าปัญญาที่แท้ไม่ใช่ญาณที่ไม่เข้าท้าเพราะความะระลึกถึงความเกิดซึ่งเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดังกล่าวกรรมนี่เป็นตัวเกิดเรียกว่ากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรโนฟังดีๆนี่จะอธิบายหลักสําคัญคุณจับหลักสําคัญนี้ได้คุณจะบรรลุเป็นพระอระหรันต์ ถ้าคุณจับสำคัญนี้ไม่ได้คุณไปเพ้อๆที่เขาอธิบายมาไปเห็นการเกิดคือเกิดจากท้องพ่อท้องแม่แล้วก็เลยเอาแต่การเกิดเป็นแท่งก้อนตัวตนบุคคลเราเขาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ชาติโนนเป็นงวเป็นหมาเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ชาติโนนไปเป็นอย่างที่ยกตัวอย่างแล้วเป็นพระนเรศวรเป็นราชการที่ห้ามมันชอบจะไปเกิดเป็นตัวใหญ่ๆซะด้วย เกิดเป็นนายกอเกิดเป็นนายขอเกิดเป็นลูกเศรษฐีเกิดเป็นลูกคนจนอะไรก็ตามนั่นมันเกิดตัวตนบุคคลเราเขาจากท้องพ่อท้องแม่คุณก็ไประลึกชาติแบบนั้นซักเสมอเพราะคุณเข้าใจได้ง่ายมันหยาบการเกิดคือออกจากของพ่อท้องแม่ใครก็เข้าใจง่ายๆเสร็จแล้วก็เลยไปเข้าใจผิดไประลึกแบบนั้นซึ่งระลึกไม่จริงเราระลึกเอาจริงก่อนสิคือระลึกการเกิดของกรรมคุณระลึกหมูมมมมม่วินาทีที่แล้วเมื่อกี้จะมาโอ้โห จะลุกขึ้นเพลงเสียงปลุกท่านเรียกซะแล้วแต่มันก็ยังอารมณ์มันในหัวใจมันเกิดอยู่เลยไอ้นอนนี่มันยังมันปลุกแล้วปวัดโถปลุกแล้วคุณเกิดเมื่อกี้นี่คุณอาการมันมันเกิดอารมณ์มันเกิดผีมันเกิดคุณรู้ตัวผีไหมใครรู้ตัวผีงนี่แหละตัวผีผีกิเลสผีมันดึงเอาไว้ แไอตัวนั้นมันยั่วว่าอร่อยความอร่อยไม่มีภาษาพระทะเลว่าอัศาธาการนอนไม่มีอร่อยใครรู้ว่าการนอนหมดอร่อยต้องรู้ของเราเองนะว่าอารมณ์อร่อยของเรายังเหลืออยู่น้อยหรือมากแม่อัตมา ก, ก็ศึกษามาไม่ไม่ใช่น้อยศึกษามามากอัตมา ก, ก็เห็นจริงๆเลยว่าอารมณ์นอนนี่นะโอ้โหผีตัวนี้แนบเนียนนิงเลยนิ่งนองเลย มันกินลึกกินซึ่งกินแมนั่งก็เป็นได้ยืนก็เป็นได้ถามท่านสันตาสิเดินก็เป็นได้อาตมาละซึ่งเลยเดินมันยังตามมากินเลยเดินก็หลับได้นี่มันจะตายแล้วปเดี๋ยวก็เดินใ้งวัดขวิดเอาเดินให้รถยนต์ชนตายตอนนั้นเองตายง่ายๆ้วแล้วมันนิง่งจริงๆเลยพอมันกินดิบๆแล้วก็ มันกินเนียนเลยผีนี่มันเข้าทรงเข้าสิงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่าผูู้ใดระลึกถึงความเกิดของอารมณ์จิตยอย่างนี้แหละเป็นอารมณ์กิเลสเป็นอารมณ์ผีนี่คือกรร ม, มโยนิทางใจเรียกว่ามโนกรรมมันเข้าไปกินที่ใจการนอนนี่มันเกิดรสอร่อยรสอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่ของจริงเป็นอัศรทเป็นรสนิยมของผีมันหลอกเราแล้วเราก็ไปติน มันถ้าบอกว่าใครปฏิบัติทำจนไม่เกิดรสแม้การนอนนี่ก็ไม่เกิดรสรู้ว่าเราพังนั้นเราก็รู้ว่าโอ้อารมณ์เราทําอารมณ์ที่ว่างเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่มีอารมณ์กิเลสนอนไม่มีอารมณ์ติดนอนอารมณ์ทำอารมณ์ชัดได้แล้วว่าเราอนอนนี่จะรอนจะจะหลับเลยนอนหลับหลับตาอยู่นี่เราก็ไม่หลับด้วยอารมณ์นอนไม่หลับด้วยอารมณ์ที่มันเป็นรสอร่อยของการนอน ตั้งสตินก่อนนอนใ้ง่วงให้ตายเลยก็ตั้งอารมณ์ดีแล้วก่อนจะหลับหลับด้วยอารมณ์ที่ใสโพรง่งอย่าหลับด้วยอารมณ์ที่ติดนิสัยเก่าหล้วแหมมันมันอร่อยนอนอย่าหลับอย่างนั้นพมก็หลับด้วยอารมณ์ที่ใสโพร่งเรียกว่าหลับดีฉานแล้วเราจะไปฉานพอตื่นขึ้นมาแล้วก็พอมันมีกวนอยู่อารมณ์อจะนอนจะหลับแล้วเป็นรสอร่อยอย่าง น, นี้ต้องอ่านขจัดอารมณ์อร่อยออกให้ได้อันนี้ยากอารมณ์อัศรธาเนี่ยพวกคุณจะต้องเรียนให้มาก ที่อาตมาเอามาชี้ตอนนี้แล้วพยามขยายก็เพราะว่ามันทันสมัยก็เมื่อกี้เพิ่งผ่านมายกหยกนี่พยายามแนะจุดบุพเพนิวาสานุสติจานให้ง่ายๆเมื่อกี้ผ่านมาจากตื่นนอนยกหกก็แนะตัวนี้ให้ฟังนี่แหละตัวกรรมโยนนี้กรรมเป็นการเกิดโดยเฉพาะมโนกรรมซึ่งคุณมีกายกรรมนอนเมื่อกี้นี้แล้วก็มีอารมณ์ร่วมก็คือมโนกรรมมโนกรรมร่วมกับกายกรรมมโนกรรมร่วมกับวจีกรรมมันร่วมกันอยู่ พราว่ากายกรรมวิจิกรรมเกิดเองโดยไม่มีมโนโไม่ได้มโนนี่เป็นประธานแล้วมันเป็นอยู่เมื่อกี้คุณนอนแล้วคุณจะตื่นตื่นก็เป็นกายกรรมนอนก็เป็นกายกรรมแล้วคุณจะตื่นจะนอนเนี่ยคุณมีไอ้เอมโนกรรมตัวนี้เป็นผีร่วมด้วยอยู่ใครไม่มีเมื่อกี้นี้ก็ดีมีบุญนะ่ะตื่นแล้วเราลึกได้ว่าท่านพูดว่ามีผีนี่เออเราปรัศจากผีเราตื่นเมื่อกี้นี้ไห้ตื่นได้พรุพรับสบายเลยเราเป็นพระโยคาวาจรที่กําไร แม้แต่นอนนี่ก็ไม่ติด น, นอนไม่ยึดที่อาตมา ต, ต้องพูดเพราะว่าพวกคุณอยู่ที่บ้านนี่ไม่ได้นอนจนตีสาตีสี่มันอย่างนี้หรอกพวกอาตมาเนี่เป็นจริงเป็นธรรมดาแต่ขนาดเป็นธรรมดาในคนเอ๋ยลองแอบบแอบบถามพระบางท่านสิบอกท่านมีผีน้อยๆมีผีเล็กๆไหมท่านก็จะตอบเหนียวๆกับคุณถ้าท่านองค์ไหนที่ยังเหนือยจะบอกมีโย่มันยังมีหน่อยๆ น, นิดๆมันเล่นงานอาตมาอยู่เหมือนกันท่านก็จะอธิบายให้ฟัง นขนาดที่พวกอาตมาตื่ น, นตีสมตีสี่เป็นประจำธรรมดานี่นพวกญาติโยมไม่ได้ตื่นอย่างนี้อย่าอมพระมาพูดให้มันยากเลยจริงเชื่อเชื่อเลยมันไม่ใช่ง่ายนะไม่ใช่ง่ายเพราะงั้นจึงพูดะจึงอธิบายปัจจุบันธรรมนี้เพราะั้นลรลึกดูผีตัวนี้นี่เป็นอย่างนี้คือกรรมมโยนี้ฟังดีๆนะ้รเคยได้ยินว่ากรรมม กรร ม, มัสโกมหิกรร ม, มทายาโทรกรร ม, มโยนิกรร ม, มพันธุกรร ม, มปฏิสรโนนะกรรมจำแนกสัตว์เราเคยได้ยินมาท่านนเราก็ไปนึกแต่กรรมที่เป็นกรรมเวรที่ทําไว้แต่ปางก่อนโนนทําอะไรมาและชาตินี้ถึงวันใดมาลาบากแล้วก็มานั่งจํายอมอธิบายให้จำนนต่อกรรมจะทําอะไรก็ไม่รู้จะทําอะไร ชาตินี้เราจะต้องเป็นกรรมกรเป็นคนจนก็เพราะกรรมกาหนดมาเราต้องเป็นไอพันอย่างงั้นนะมันโบราณแล้วล่ะลุง เ, เขาไม่อธิบายก็นหรอกแบบนั้นมันเก่าเอี่ยมนะ เ, เก่าเอี่ยมเล้วเจ๊งๆเก่าเอี่ยมเลยคือมันเก่าซะจนเอามาพูดทีไรมันก็เพราะมันพูดกันมามากแล้วเก่าเอี่ยมแล้วเรามาเอาใหม่เอี่ยมดีกว่า ใหม่เอี่ยมนี่ ก, ก็ก็อาจจะได้ยินน้อยไอ้ส่วนอย่างโน้น่ตั้งแต่โบราณพระอาจารย์องค์ไหนท่านก็ว่ามาโอ้ยแม่เดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่ยังว่าอยู่ถึงเรียกว่าเอี่ยมเดี๋ยวนี้ท่านก็สอนอยู่ยังพูดอยู่ก็เก่าเอี่ยมม่ใช่ก็สอนของเก่าๆแต่อัตมามาพูดนี้ไม่เคยได้ยินได้กินใหม่ๆ ม, มันก็ใหม่เอี่ยมที่ใหม่เอี่ยมเลยเพราะงั้นไอ้อย่างนั้นเขาสอนมาเก่าเอี่ยมแล้ว อย่างนี้หม่เอี่ยมกรรมเห็นเดี๋ยวนี้ปัจจุบันทันตาเป็นวิปัสนาเพราะคุณรับรองได้ว่าจริงถ้าพูดถึงผีการนอนเมื่อกี้นี่คุณเข้าใจไหมผีอย่างนี้คุณจับตัวได้ไหมถ้าคุณจับตัวได้เป็นสัจจ์เขาพูดว่าผีโอ้แต่ก่อนนี้ผีหลอกอย่างง้นอย่างนี้นะผีแม่น่าพระขนมนะยื่นแขนยาวมา น, นี่ร่วงมือนั่งตามช่อ ง, องพอเราเรื่องผีอะไรจะเป็นหน้าตกช่องนะไอเดียวมันจะขึ้นมาในช่องในร่องโอ้แบบนี้เก่าเอี่ยม นะเก่าเอียมแล้วพูดอย่างนี้ผีง้ อ, อย่างนี้เข้ามาแล้วก็หลอกแล้วล่วงตับกินไส้ผีอย่างนี้ไม่ลวงตับกินไส้ได้เก่งเท่าไรหรอกคุณฟังก็ไม่เชื่อไม่เห็นจริงฟังมานานแล้วก็ไม่เห็นจริงแต่ผีที่มันมาตั้งวงดนตรีแล้วก็ลวงไปคืนละห0เกวียนนี่ผีแดกคิร่าผีล่วงไปนี่พวกคุณเป็นชาวนาที่ จ, จะมาเอามายกให้ฟังเนี่ย ผีพวกนี้ที่มาตั้งมาแล้วย่อรักสลักใจแล้วก็เล่นไปสองแสนท่านก็เอาข้าวพวกคุณในบ้านนี้ไปห้าสิบเกวียนคืนนั้นนี่ทิ่ผีอย่างนี้ที่ล้วงตับกินไส้ไปชัดเลยไม่ใช่ล้วงมาที่ตะไตช่องไปลู๊ดใจดูแผ่นกระดานหรอกไม่ใช่ลอดช่องลู๊ดแผ่นกระดานหรอกควัวกกระเป๋าคุณมันๆเลยเอาไปถ้าเขาขายข้าวไปห้าสิบเกวียนคืนละสองแสนบาท อย่างนี้ผีแง่แงคุณเชื่อไหมเห็นชัดไหมอาตมาพูดผีนี่ชัดที่สุดเขาทุกวันนี้พูดผีกันและอําพรางหลอกลอก่ออย่างที่มาถามนะ่ยบอกด้วีดิงดําเห็นผีแล้วก็พูดกับผีคุณนั่นแหละจะพูดกับผีคนไม่พูดเลยยอดลักสลักใจกับหัวหน้าพากันมานะหัวหน้าผีนั่นแหละคุณเห็นตัวเลยมาล้วงเขาเข้าไปทุกวันทุกคืนอย่างนี้เป็นต้น หรือแม้แต่ผู้ใดหลอกเอาเงินคุณโดยไม่เขาทาแลวคุณก็ไปลงเป็นรถอร่อยของกิเลสคุณไปได้รถอร่อยของกิเลสคุณก็ไปอยู่กับผีเป็นวิญญาณผีสร้างรสอร่อยใสย่จิตก็คือผีแม้แต่สร้างรถนอนกลับมาที่เก่านันอธิบายเทียบเคียงให้เห็นชัดว่ามันเป็นของอยากเข้ามารถนอนนี่มันเนียนเป็นผีที่รู้ยากคุณเองคุณนอนและคุณติดมาเก่านอนเนี่ย ไม่อิ่มง่ายๆพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้หนึ่งเมถุนทำสองการนอนสามความเมาสามสิ่งนี้ไม่มีความอิ่มความเต็มในสัญญตานิการพระพุทธเจ้ายืนยันไว้ชัดภาษาบาลีบอกว่าการนอนก็นิทาเมถุนก็ศัพ์ภาษาบาลีเมตุนังนิทาและก็มัชชะความเมาอันนี้เป็นตัวบาลีและสามคานี้ ภาษาบาลีคือมัชฌะความเมาความมัวเมาซึ่งลึกซึ้งมัชฌะตัวนี้สุราเมรยะมัชฌะตัวมัชฌะนี่เป็นตัวลึกละเอียดมันรวมหมดน่ะ <S <S 1> <S 1> ไม่มีความอิ่มความเต็มท่านบอกไม่มีความอิ่มความพอเราจะนอนให้มันอิ่มมันไม่มีอิ่มหรอกยิ่งนอนยิ่งกิเลสตัวโตยิ่งนอนยิ่งกิเลสตัวโตเพราะนั้นคุณนอนเพื่อที่จะให้หายง่วงไม่มีหายง่วง นอกจากว่ามันพักผ่อนไม่พอบ้างเล็กเลนๆๆๆๆๆๆๆ้อยแล้วเก็พักผ่อนไม่พอพอพอแล้วอยากเป็นนึกว่ามันจะต้องพักผ่อนอีกไม่ไม่ใช่ไม่มันเป็นกิเลสแท้ๆออกยากตะออกยากต้องอ่านจริงๆทีนี้ก็จะไม่พูดเรื่องของตัวอารมณ์การนอนไปอีกละเพราะว่ามันละเอียดลึกซึ่ ง, งต้องมาศึกษาแม้แต่พวกเราเนี่เป็นพระเป็นอะไรนี่ก็ยังยากอยู่เลย ที่จะต้องจับตัวรู้ตัวแล้วก็บีขยายออกมาต้องพิจารณาให้มากว่ามันเป็นอัาธามันเป็นรสนิยมโลกมันเป็นรสนิยมที่งงงๆแล้วเราก็อ่านไปถึงกรรมมโยนิอ่านไปถึงกรรมของมโนที่มันเป็นตัวตน ฟังดีๆนะเป็นตัวตนเป็นอัตสาหถ้าเป็นอัตตาเห็นตัวมันจับตัวมันได้เลยโอ้ผีตัวนี้หน้าตาเปน็นงี้อาการเปน็นอย่างนี้อารมณ์เปน็นงี้เราจับอาการได้นะนะเราจับทุกรูปถูกนามแล้วรูปนามนี่รู้ได้โดยอาการรู้ได้โดยนิมิตรู้ได้โดยวตุวอาการอย่างนี้มันต่างกันอย่างนี้นิมิตก็คือตัวเครื่องหมายสัญลักษณ์สภาวะ เป็นอย่างนี้เราจับถูกหนีแหน่งเงื่อนแง่มันเป็นอย่างนี้รูปร่างเป็นอย่างนี้จับอาการจับอารมณ์จับนิมิตจับสภาพจับถูกมันไม่มีตัวตนง่ายๆเลยนะแต่ต้องจับเห็นตัวมันชัดแล้วคนก็เปลี่ยนไปบอกไปสู่สภาพอย่างนี้เป็นสภาพจิตว่างๆจิตปราศจากปริจิตปราศจากอาการง่วงจิตปราศจากอาการรสรสอร่อยรสอร่อยของ การ น, นอนก็ตามนี่เป็นเหตุปัจจัยเพราะฉะั้นเรานอนโดยไม่มีอารมณ์ง่วงหรือไม่มีอารมณ์อร่อย <c oughs> เรานอนโดยอารมณ์ใส <c oughs> โปรเราก็จะทําให้แก่เราได้แล้วก็ฝึกเอาอย่างนี้ได้ว่าเรารู้หมดนะเพราะงั้นการนอนการนัง่งการยืนการเดินพิจารณามีสติรู้ตัวและปฏิบัติให้แก่ตนเสมอเพราะในวันคืนที่เราอยู่กันที่นี่เราจะต้องตื่นต้องหลับอะไรต่ออะไร ปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็รู้ให้ลึกซึ้งอย่างนี้แล้วเอาไปประพืชดูเป็นพระโยคาวจรในขณะนี้เรามาอบรมเพื่อที่จะรู้ธรรมะแล้วเราจะกลับไปบ้านเราจะได้เอาติดตัวไปฝึกที่บ้าน น, นี่เป็นเรื่องของกรรมโมยนิเรื่องการนอนอัศรธาของการนอนอาจจะพูดไม่ละเอียดพออาตมาบอกจะพอจุดนี้อาตมาจะกลับไปพูดถึงเรื่องรูปรดเปลนเสียงสัมผัสที่หยาบต่ำกว่านี้ไล่มาให้ฟังเพื่อที่จะได้ยกฐานะ ของพร ะ, ะพระโยคาวจรที่เป็นชั้นต้นๆกลางๆไปปลายไปตามลำดับเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่เราจะรัดได้รัดไม่ได้คนที่ยังไม่ได้เป็นภูมิอนาคามีจะไปเป็นอนาคามีโดยไม่ผ่านโซดาสกิทาเป็นไม่ได้เมื่อวานนี้มีคำถามมาว่าพระอริยะอย่างไร แล้วจะเป็นพระอริยะต่อไปอย่างไรมีคนแนะว่าเออคงจะหมายความว่าอริยะนี่เป็นสมณะชนิดหนึ่งที่จริงไม่ใช่อริยะนี่เป็นคํากลางเป็นสมณะทุกชนิดจึงเรียกว่าอริยะเป็นสมณะคือเป็นนักบวชหรือเป็นพระถ้าเผื่อว่าไม่เป็นอริยะถือว่ายังเป็นสมณะสมุติสมณะปลอมยังเป็นพระปลอมๆอยู่ แม้จะสวดยัด ก, กันแล้วโกนหัวหนุ่งของจีวรก็ยังเป็นสมสมุติสมมุดติพระหรือสมมุติสง์หรือสมมุติสมณะยังไม่เป็นสมณะจริงสมณะมีสี่เหลา่าเมื่อกี้ก็ท่องไปแล้วแยกละเอียดก็เป็นแปดนะเมื่อกี้ท่องกันอยู่เยอะเยอะยติทงังจัตตาริสหรืออัตถุริสัปุคลาหรือแปดจัตตาริสก็คือว่า โสดาสกิทาอนาคาอรหรันนี่เป็นชื่อเรียกสมณะสมณะระดับต้นโสดาสีระดับนี้เรียกว่าอริยะทั้งสิ้นเป็นคำรวมบอกแล้วนะพระนัาภูดใดเริ่มต้นได้เป็นโสดาคุณสามารถตัดอบายมุขได้ไม่ฆ่าสัตว์จิตใจของเรารู้ตัวเสมอไม่ฆ่าสัตว์ ถ้าสัตว์มันจะตายเพราะเราก็ตายโดยไม่เจตนาไม่ได้มีจิตใจอยากฆ่าไม่ได้แกล้งฆ่าไม่ได้แกล้งให้มันตายมันทําโดยไม่เจตนาจริงๆนั่นเรียกว่าเราก็ทําให้สัตว์ตายโดยไม่มีจิตแต่ถ้าเราจิตจะเจตนาจะทําให้สัตว์ตายอย่างแกล้งฆ่าสัตว์ตายมันก็ยังไม่บริสุทธิ์มันก็ด่างก็พร้อยไปบ้างนะ นี้ผู้ใดก็มีจิตเมตตาจริงไม่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่แกล้งฆ่าสัตว์ไม่เอาของใครไม่ขโมยรู้รู้ว่าของของเขาไม่เอาไม่แกล้งเอาไม่ถือวิสาสะอะไรเอาโดยเจตนาคีโรม่เอาไม่ผิดผัวเขามีใครมีกิเลสก็ก็รู้ว่าก็ผัวตัวเมียตนแข่นี้ก็ กิเลสจะบำบัดก็บําบัดไปตามควรตามกิเลสของฐานะของเราแต่ถ้าใครลดใครอดได้เลยยิ่งสูงกว่านั้นก็ก็เข้าใจกันอยู่แล้วเป็นศีล ร, ระดับพรหมจรรย์นะก็ไม่ต้องเกี่ยวต้องคลองไม่ต้องมีอาการไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีพฤติกรรมทางเมถุ น, นยิยมยิ่งแก่งใหญ่ศีลข้อสีไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่พูดปดไม่พูดโกหกโ ก, โ ก, โกว่าอะไรแต่คําพูดยังมีอีกเยอะคําอย่างนี้เป็นคําหยาบคําอย่างนี้เป็นคําส่อเสียดมันยัง ศีลหาธรรมดานี่ยังไม่จ้องถึงขนาดไปพิจารณาคําส่อเสียดคําหยาบหรอกอาตมากล่าวคํานี้แสดงทำอยู่นี่หลายคนว่าอาตมาแสดงคําหยาบอาตมาขอบอกว่าอาตมามีปัญญามีสติสัมปชัญญะไม่พูดหยาบอาตมาเป็นพระไม่พูดหยาบแต่บางคนว่าอาตมาพูดหยาบอาตมาไม่พูดหยาบเช่นอาตมาพูดคําว่าขี่หมาอย่างนี้เป็นต้น อาตมาไม่ได้พูดหยาบคําว่าขี้หมาก็คือสัจธรรมชนิดนึงเอามาเทียบเคียงให้เห็นความไม่น่ารักไม่น่ายินดีเทียบเคียงสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีหมายไปชนสิ่งไม่ดีโบราณถ้าเรียกว่าเลวจะเรียกว่าขี้ดีท่เรียกว่าแกวถ้าเทียบขี้หมายเขาเป็นเลวถ้าเทียบดีท่านเทียบเขาแก้วหรือเทียบมาแก้วแปลว่าดีเลวเรียกขี้ดีเรียกแก้ว อย่างนี้เป็นต้นอัตมาเทียบขี ม, มาไปอย่างนี้อัตมาว่าขี ม, มาอัตมาไม่ได้พูดหยาบหรือแม้แต่อัตมากล่าวควํ า, า, า ว, คว่าหาต่าวคําว่าหาในคาใดเช่นว่าธรรมมาหากิอย่างนี้เป็นต้นอัตมาก็ไม่ได้พูดหยาบไม่ได้พูดใยดความหยาบหยาเพราะว่าคําคํานี้เป็นคําที่ทําให้เราเองทําด้วยโทศ เกิดโทรศัพท์แล้วก็เปล่งกล่าวคำนี้ออกมาด้วยการด่าว่าให้สมใจมันเกิดอารมณ์ไม่ใช่อาตมาไม่ได้เกิดอารมณ์อาตมาจะกล่าวจะมีมีมีม ท, ที่ท่าทีรู้ตัวมีสติสัพชัญญาจะกล่าวจะต้องมีอะไรขั้นอะไรให้เตือนให้คุณรู้หรือว่าบางทีไม่กล่าวให้คุณรู้ก็ให้รู้ว่าอาตมาเจตานาจะกล่าวคานี้เพื่อให้มันเกิดยางแทงสื่อลงไป สื่อลงไปให้รู้ความหมายสื่อลงไปให้รู้สาระให้ลึกมีเจตนาอย่างนั้นไม่ใช่เจตนาที่จะด่าให้สมอารมณ์มันของเราไม่ใช่เลยไม่ใชอ่อัตมาจะกล่าวทีไรนี้อัตมาเสียวแวบบแวบบแวบบแหบมบ่กแลบบ่าแวบบคำนี้มันแรงนะมันหยาบนะจะมีใครต้องอได้รับอะไรลงไปรู้ว่าอัตมาจะลงมีดลงมือจะลงเขียงเหมือนกับนักรบที่จะต้องแหมทอนนี้ต้องฟันแล้วต้องตัดแล้ว ไม่ต้องตายแล้วนะต้องฆ่ากันแล้วมันจะเสียวว่าฝั่งจะสัมผูนั้นมีสํานึกไม่อยากฆ่าไม่อยากทําแรงแต่ผู้นั้นจะต้องทําซะแล้วคนนี้จะต้องทําให้ถึงที่มันมีสํานึกอยู่ไม่ได้ทําเพราะมันอารมณ์นะต่างกันคุณฟังดีๆไม่ให้มันมันทำอย่างนี้พระโอ้โหอร่อยใจคนนั้นทําคําหยาบโดยการมันยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเพื่อนูงกัน เป็นเพื่อนี้เวลาจะเรียกกันตอนนี้ก็จะกล่าวคำหยาบหนักเพื่อที่จะเห็นตัวอย่างอาตมาในชีวิตไม่เคยนะไม่เคยกล่าวอย่างนี้พราะเจอหน้ากันแล้วผู้ชายอ้ไอเฮียแดงเรียกอย่างนี้เลยถ้าไม่เรียกอย่างนี้ไม่มันหัวใจอ้ไอเฮียไม่เจอกันทั้ทีคําไหนก็ไอเฮียทุกทีโอ้โห oh แล้วมันก็อร่อยถ้าเขาไม่กล่าวคํานี้แล้วเขาไม่อร่อยกล่าวคําใดไอเฮียแล้วมันหัวใจทุกทีนั่นแหละกล่าวคำหยาบ กล่าวแล้วก็ติดติดเป็นนิสัยเป็นสันดานสะสมสันดานไม่ใช่สะสมบา ร, รมีเพราะสะสมความเลวความชั่วแม่ ว, า, วาจาวาจีกรรมติดเลยไปที่ไหนก็ออกไม่รู้ตัวถ้าไม่ได้พูดก็ไม่มันนับเข้าก็สมมติว่าเพื่อนชื่อแดงกับเราถ้าตอนไหนไม่กล่าวคำนี้กันอย่างนี้ลักษณะลีลาอย่างนี้อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่เป็นเพื่อนกันแล้วสิถึงอย่างนี้ เออถ้าไม่กล่าวคําอยาไม่กล่าวคําชั่วแล้วจะได้ไปเป็นเพื่อนกันซะอีกนี่มันเลยเถิดไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าโมหะถ้าอาวิชามิชามิชาทิฏฐินะไม่เข้าใจอย่างนี้ก็จะอยู่เร็วอยู่อย่างนั้นโลกก็จะเต็มไปด้วยคําว่าไอเหี้ยโลกของเขาก็จะเต็มไปด้วยอย่างนี้อัตมาพูดแล้วเมื่อกี้ว่าอัตมาในชีวิตไม่เคยและพูดไม่ออก อย่าว่าแต่ไอเฮียแล้วพูดคําว่ากูมึงอาตมาก็ไม่พูดไม่ไหวเพื่อนนี่นะเพื่อนกันนี่เพื่อนสนิทกันทําพูดคํากูคํามึงเนี่ยเขาพูดกับเรากูมึงออกสบายแต่เราจะกูกับเขามั่งมันกูไม่ออกไม่ได้ตลอดชีวิตอาตมาเนี่เป็นคนสุภาพมันอาตมาเป็นคนสุภาพพูดไม่ออกพูดกูกับเขาไม่ได้อย่างเก่งพูดอ้วพูดลือเอ็นฆ่าสูงสุด อาตมาพูดคำว่าเองอ่ะเองค่ะงนี้สูงสุดที่ว่าหยาบแล้วให้พูดกูพูดมึงพูดไม่ออกจริงๆตลอดชีวิตเพราะงั้ไม่ต้องพูดหรอกคำว่านำหน้าโดยอาร์ติเกิลไอเฮียอย่างนี้ใหม่ๆหอาตมาพูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้เพราะเป็นวิชาการที่อาตมาพูดนี่พูดคำวิชาการถ้าใจไปพูดเป็นนิสัยเป็นปกติชีวิตพูดไม่ออกก็ถึงวัยเวลาอย่างนั้นพูดไม่เป็นพูดไม่ได้จริงๆไม่มีนิสัย นี่อาตมาพูดความจริงให้ฟังเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าใครไปซักซ้อมไปพูดแต่อย่างนี้กันนี่เขาพูดอย่างนั้นเขาเสียหายอยู่ตลอดเวลาพูดละมันหัวใจมีรสอร่อยติดติดละมันอย่างนี้เป็นต้นไม่เอาอย่างนี้เป็นคําหยาบอเพราะงั้นก็ต้องเข้าใจในความหมายความภาษาว่าคําหยาบเป็นอย่างไรโดยเฉพาะคําสอเสียดอีก เมื่อกี้นี้พูดคำหยาบอธิบายให้ฟังหลายนหนแล้วคงจะเข้าใจดีทีนี้คำส่อเสียคำส่อเสียคือคำที่พูดให้ทะเลาะบอกแววงกันเอาคนนี้เอาเรื่องของคนนี้ไปพูดให้คนนี้ฟังเอาเรื่องของคนนี้มาพูดให้คนนี้ฟังเพื่อที่จะได้โกรธได้ไปชอบใจแล้วก็ทะเลาะบอกแววงกันเขาโกรธกันเรื่อยไปอย่างนี้พูดทะเลาะบอกแวงส่อเสียแต่เอาคำเอา เรื่องของคนนั้นคนนี้ที่เขาไม่ดีเลวๆไร้ไร้หรือปั้นเรื่องปั้นราวอะไรขึ้นมาผสมเสมให้มันดูหน้าเกลียดหน้าชังมากขึ้นจะได้ยอมยาวยุคให้หัวใจมันโกรธมันเกลียดมันชังมากขึ้นเสร็จแล้วก็ไม่ชอบกันชังกันทะเลาะกันอย่างนี้เรียกว่าไม่ประสานสามขีดธรรมพุทธทาสมีคุณธรรมพุทธทาเป็นพระอริยะอัตมานี่แหละพาเรียกอัตมาเรียกถึงทันเตอริยพุทธทาให้เราเคารพกัน อัตมาติในเรื่องในในในอย่างนแม้แต่พระอาจารย์มัน่นอัตมากล่าวถึงอัตมาติในส่วนที่ติแต่ต้องเคารพอาจารย์มัน่นอาจารอาจารย์มั่นมีคุณธรรมมีความดีพอสมควรในส่วนที่ดีของท่านอัตมาจะต้องกล่าวถึงกล่าวบอกเพราะไม่ได้ไปจุกแย่ให้ไปโกรธเปเคืองกันนะให้คารวะอย่าลบหลูค่คุณคนอันใดเป็นคุณอันใดเป็นประโยชน์ของผู้ใดมีเคารพนับถือคุณนั้น อันใดที่เป็นข้อผิดอะไใดที่เราเห็นแน่ชัดว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเราจะติติงในในเวลาที่ควรติติงก็ติพระพุทธเจ้าสอนให้เราติพระพุทธเจ้าสอนให้เราชมติได้ชมได้ตามกาลตามเวลาอันควรตามหมู่กลุ่มที่ควรหรือว่าตามบุคคลที่ควรเราก็กล่าวไม่ใช่กล่าวโดยไม่ควรควรกล่าวกล่าวติก็กล่าวได้ชมก็กล่าวได้ นิคันเฮนิคาหารหังปักคันเฮปคกาหารหังภาษาบาลีว่างั้นแต่ว่าติผู้ที่ควรติหรือติสิ่งที่ควรติติเรื่องที่ควรติชมคนที่ควรชมชมสิ่งที่ควรชมชมเรื่องที่ควรชมตามกาลเทศะทั้งชมทั้งติดได้ไ ม, ไม่ไม่เสียหายอะไรถ้าทําถูกต้องไม่เช่นนั้นไม่รู้เรื่องเวลานี้ ควรจะติดกันมากถ้าใครรู้หลักเศรษฐศาสตร์แล้วจะรู้ว่าทุกวันนี้นี่นะคนกล้าติดหรือคนที่จะติดนั้นมีน้อยคนที่จะชมนั้นมีมากเพราะได้รับการสอนมาว่าเราควรจะชมจริงธรรมดาธรรมชาติคนก็พูดชมกันละเป็นส่วนมากแต่ติดนั่นน่ะมันน้อย เพราะว่าติแล้วเกิดศัตรูติแล้วเกิดความชังติแล้วเราไม่ได้คะแนนนิยมเพราะฉะนั้นพูดี่ฉลาดแล้วฉลาดแกมโกงนะจะไม่ค่อยติดไม่ใช่ฉลาดอย่างเก่งอย่างกล้าจริงๆฉลาดแกมโกงแล้วจึงไม่ค่อยจะติดจะพูดจะได้แง่ชมเมื่อพูดแต่แง่ชมเมื่อพูดแต่แง่ดีเราไม่ได้รับการจะ ชิังใครเราจะได้คะแนนนิยมเราจะได้รับการสรรเสริญเพราะฉะนั้นผู้อยากสร้างสรรเสริญให้แก่ตัวเองจึงพูดแต่แง่ชมเป็นพระก็มีจะพระเทศแต่เรื่องชมพระองค์นั้นก็จะได้รับการสรรเสริญว่าเป็นพูดดีพูดไม่ติเตียนใครแล้วก็จะได้รับการนับถือมากเพราะว่าคนผิดก็ไม่ได้ถู ก, ถกตำหนิสักที คุณมาหาพระพระทำไม่พูดให้เอากระเทือนใจเลยเราไม่ดีอะไรท่านเลี่ยงมดทําไม่พูดจะไอ้เรื่องที่ไม่ดีของคนอื่นส่วนเรื่องไม่ดีของเราท่านละเว้นคนนี้มาโอ้ยคนนี้มีความไม่ดีนี่ไม่พูดต้องพูดความไม่ดีของคนอื่นโน่นไปคนคนนั้นเลยไม่รู้ตัวถึงความชั่วของตนเองสักทีแล้วไม่ได้แก้ไขสักทีพระองค์นี้ก็เลยได้แต่คะแนนนิยมบ่ได้รับการเสริอถ้าไม่ว่าใครไม่ติใครเลยนี่ไม่ใช่พระ ลูกผีผีแท้ๆไม่สอนเขาได้แต่เอาคะแนนนิยมสันเซิญพวกนี้สร้างสรนเริญให้แก่ตัวเองเพราะสร้างสรนเริญให้แก่ตัวเองอย่างนี้มีมากนะมากใส่สอมีจริงๆมากพระพวกนี้ไม่กล้าไม่กล้าที่จะประจัญต่อนินทาหลงสรนเริญกลัวนินทานอันนี้เป็นโลกกระทำ ทุกคนน่ะถ้าเสื่อมถ้าไม่ได้เสื่อมลาบมันก็ทุกเสื่อมยศทุกขได้รับนินทาทุกขพวกนี้วิ่งหนีทุกไม่กล้าประจันต่อการที่จะตัดกิเลสเพื่อที่จะพ้นทุกเพราะฉะนั้นจึงเสพแต่สรนเริญเพราะหลงสันเริญหาแต่ทางได้รับขัสันเสริญเมื่อได้คำสันเริญก็มีชีวิตสบายเสพสรนเริญไปตลอดชีวิต ไม่ได้ล้างสรเสริญและไม่กล้าสู้นินทาพอได้รับการกระทบกระเทือนเขานินทาหน่อยนินทาไม่ต้องมากหรอกโอ้เจ็บปวดสู้ไม่ได้เขาว่านิดเขาว่าหน่อยมานะใหญ่สู้ไม่ได้แต่ผู้ที่ได้หัดได้ฝึกแล้วแม้เขาจะนินทาก็ไม่เป็นไรข้อสำคัญเราจะไปพิจารณาถึงตัวนินทานี้ว่าเขาว่าในถูกหรือเปล่า เขานินทาถูรป่าเช่นเขานินทาอาตมาว่าเป็นพระคอมมิวนิสต์เป็นพระปากจัดอาตมาบอกแม้คุณเก่งรู้าอาตมาปากจัดปากชัดเก่งอาตมานี่ขวานเขาว่าว่าขวานจักตอกเออจริเก่งคนกล่าวคำนี้ขอให้ว่าอาตมานะอาตมาจะบอกให้คนให้ฉายาอาตมาว่าเป็นขวานจักตอกนั่นนะคนกล่าวคนนี้ ไม่ค่อยชอบอัตมาหรอกมันไม้ถือสาแม้แต่คำลินทาว่ากล่าวหรือดุดา่าเราก็แก้ไขตัวเองได้แล้วก็ไม่มีการโกรธการชังกันจะเห็นแม่เขาด่าผิดเราก็รู้ว่าเออเขาด่าผิดนะเราทบทวนแล้วออวิจัยไปเออเขาก็ผิดนะผิดก็อภัยแม่เขาจะด่าผิดก็เรารู้ว่าเออนี่เขาเข้าใจยังไม่ได้จะว่าเขาโง่หรือเขาไม่ฉลาดก็ก็เป็นเชิงนั้นแต่เอาเถอะ ไปลบหลู่กันมันก็ไม่ดีก็บอกเออเขาเข้าใจยังไม่ได้ถ้ามีโอกาสจะทําความเข้าใจทีหลังได้ถ้าเราสามารถเราก็จะทําแต่ถ้าบอกว่าโอ้ยังไงเราก็ไม่สามารถทําความเข้าใจให้เขาได้หรอกเลิกวางวางไปเสียเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปทําความเข้าใจให้เขาได้ดั <c oughs> งนั้นก่อนแล้วไปเขายังไม่เข้าใจเขายังเข้าใจไม่ได้จากเขาจะเป็นคนโง่หรือคนไม่ฉลาดพอก็เป็นเรื่องจริงก็ปล่อยไว้สักวันหนึ่งจะได้ช่วยกัน หรือสัปวันนึงเขาฉะลาขึ้นมาเขาจะรู้อย่างนี้เป็นตน้นโลกนี้ก็จะเห็นแต่ความเจริญเราก็ได้ปรับปรุงตนการทะเลาะบอกแววงโกรธแค้นกันก็ไม่มีนะเพราะเรานินทากันได้ผู้เข้าใจตัวนินทาโลกมันไม่พ้นจากคนนินทาอันนี้ก็เป็นคำพังเพยไม่พ้นอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าที่พูดเป็นเลยว่าคนได้เลย พระพุทธรูปเี๋ไม่พูดสักคํำเรายังถูกดา่าใช่ไหมเราคําพังเพยเราว่ากันองค์พระปฏิมายังราคินไม่พ้นนินทาใช่ไหมเราเคยได้ยินอย่าว่าแต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนพูดได้ว่าได้ดูได้เพระสุปย่างเงี้ยสุปัฏะแก่พอพระพุทธเจ้าตายปุ๊บดีแล้วดีแล้ ว, ลวตายได้ชั ก, ก็ดีสุปัทะเอ้ยคํานั้นออกไปนะรกกี่ขุมเลยนะเขาไม่รู้เขาก็ว่าพระพุทธเจ้านะลบหลู่พระพุทธเจ้าทันที ขณะลูกศิษย์อยู่ในยุคในการยุคสมัยพระพุทธเจ้านั่นแหะสุบะแก่ตามประวัตินะพระพุทธประวัติว่าพระพุทธเจ้าได้คิดดูสิด่าพระพุทธเจ้าได้เป็นพระสาวกเป็นสงฆ์ด้วยซ้าไปอย่างนี้เป็นตน้นนะ <l> ก็พระพุทธเจ้าเป็นชีวิตพระพุทธเจ้าเป็นผู้เป็นคนพระพุทธเจ้าย่อมสอนมีพูดพูดพด่ดาพูดว่ากระนาบแล้วกรนาบอีกอนุนเราจะกะนาบเธอแล้วกระนาบเธออีกพระพุทธเจ้าอย่างนั้นนะ่านกระนาบเพื่อหวังดีเพื่อให้ดี คนที่ไม่ชอบใจคนโง่ก็ไปว่าพระพุทธเจ้าแน่นอนพระพุทธเจ้าก็ต้องถูกว่าแน่เพราะเป็นคนบอกแล้วพระพุทธรูปนี้นะกล่าวว่าใครไม่ได้เป็นรูปปัน้นเป็นพระปฏิมายังราคินเคยได้ยินไหมยังไม่สิ้นคนนินทาและคุณจะไปไม่ให้มันมีคํานินทาอะไรยังไงในโลกมหาจั ก, กรวาล น, นี้เข้าใจไหม คุณจะไม่ให้เกิดคำนินทาไทยยังไงในโลกจักรวาลขนาดนี้ก็ยังเป็นคำพังเพยเพราะฉะนั้นเรื่องนินทาเป็นเรื่องทอมดปอกตหหหเป็นเรื่องธรรมดาปกติหายห่วงเลยอาตมาไม่ห่วงคำนินทาไม่ห่วงจริงๆไม่ห่วงจริงๆคำนินทาก็นินทาไปแต่เราไม่ใช่ว่าไม่เอาคำนินทาเขามาพิจารณาพูดแล้วก็พูดอีกทวน ต้องเอานินทาคําว่าเขามาพิจารณาทบทวนนะเขาพิจา ร, รณาแล้วเขานินทาถูกก็มีผิดก็มีนะเป็นเชิงฉลาดบางคนเขาฉลาดนินทาถูกบางคนก็านินทาเราผิดแล้วไปนะอันนี้เป็นธรรมะที่เน้นให้คุณฟังนิ่งเราจะมาอยู่หมู่ด้วยกันเยอะแยะเนี่ยคำกล่าวมีคํานินทามีคําว่าร้ายว่าเลวมีถ้าเราเป็นคนมีมานะถือตัวมากเขากล่าวเขาว่าเราจะเจ็บปวดถือสาคุมแคขนคุมเครื่อง คุมแก้อาตมาไม่ไปแก้คํานินทาเท่าไรหรอกใครจะนินทาอาตมาอาตมาไม่ค่อยไปแก้ต้องแก้ตัวต้องอยางงอนยางนี้นนไม่เสียเวลาอาตมามาทํางานศาสนานี่อาตมาทมัวไปแต่แก้คำคำกล่าวหานะป่านนี้อาตมาไม่ได้ทํางานอาตมาไม่ได้ศาสนาป่านนี้แมัวจะไปแก้คำนินทาอาตมาบอกแล้วโอ้โ oh, ห oh, คำนินทาพระโพธิลักษณ์นี่เดียวนี้ทุกวันนี้ก็ยังเปรี๊กล่าวมากมายถ้าอาตมาจะไปมัวแต่แก้ข่าวคํานินทานะไม่ต้องทํางานละ ไม่ต้องทําไม่ได้ประโยชน์อะไรจริงๆเพราะอาตมามันหายห่วงนั่นแหละใครจะดินทาอาตมาก็ช่างปล่อยไว้ก่อนแต่อาตมารับทัดยินได้ฟังก็รับมาพิจารณาอาตมามีปฏิภัน์ฟังรับแล้วรู้ง่ายก็รู้ว่าอันนี้ไม่ถูกก็ไม่ถูกก็ปล่อยอันนี้ถูกก็แก้ไขถ้าอันนี้สําคัญแม้แต่เขาดินทารู้ว่าอันนี้ควรจะปรับปรุงแก้ไขจะปรับปรุงแก้ไขกันก่อนในจุดสําคัญเพราะฉะนั้นจะแก้ในจุดที่สําคัญ บางเรื่องบางขราวเท่านั้นถ้าในเรื่องในคราวที่เห็นแล้วว่าปล่อยแม้จะนินทา ว, ว่าผิดก็ตามปล่อยกัก่อนปล่อยจึงได้ทํางานมาจนกระทั่งปา่านนี้และมี ม, มีผลประโยชน์มาจนกระทั่งปา่านนี้ส่วนตัวนั้นโอ้ยสบมโมโทมด์มากสบายมากธรรมดาธรรมดาปกติใครจะนินทา ว, ว่ารายอะไรไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ใช่ด้านชานะ ไอ้ที่ไม่จะไม่ปวดนี่ก็ไม่ใช่นาด้านไอ้ชายน้าด้า น, ไ ม, น, าานไม่ใช่ด้านชามีไหวพริบรู้แต่ว่าไม่ไม่ยึดถือไม่ถือเพราะเข้าใจในธรรมมันเป็นธรรมะชั้นสูงอาตมาทึ่บอกอาตมาภูมิใจอาตมาชื่นใจที่พวกเรากล้าที่จะทวนกระแสสังคมเป็นคนกินมือเดียวกล้าพูดตลาบอกเป็นคนกิน ดีกินง่ายกินถูกธรรมเป็นคนเป็นอยู่ถูกธรรมเป็นคนมีสั ญ, ญลักษณ์แห่งความถูกธรรมะมากขึ้นมากขึ้นแสดงต่อสังคมไม่เหนียมอายอาถรรพไม่หวั่นไหวแม้เป็นผู้หญิงก็ทําได้เป็นผู้ชายก็ทําได้เราจะได้เป็นผู้นําผู้นําไม่ได้หมายความว่าเป็นนายกผู้นําไม่ได้หมายความว่าเป็นดาราทุกกระทงผู้นําไม่ได้หมายความว่าคนมีชื่อเสียงแบบโลกโลก ผู้นำคือผู้ที่จูงพาให้เขามาหาธรรมเราปฏิบัติถูกทำแล้วเราจงยืนยันธรรมะของเราแล้วก็เป็นไปตลอดเวลาให้มากมันจะนําพาดึงจูงถ้าเข้ามาถามเรายังจะตอบได้อีกด้วยนั้นยิ่งดีใหญ่ยิ่งเก่งทำไมจึงแต่งตัวอย่างนี้ทําไมจึงกินอย่างนี้ทําไมจึงอยู่อย่างนี้ทําไมจึงนอนอย่างนี้ทําไมจึงต้องไปสือส้อศีลอย่างนี้ทําไมถึงต้องไปตั้งกดตั้งหลักให้ตัวเองอย่างนี้ ทำไมต้องประพฤติตามกฎหลักอันนี้กฎหลักตรงนี้มันมีแนวมีเชิงยังไงดียังไงพางให้เราเป็นคนดียังไงคนยิ่งมีปัญญาตอบได้ยิ่งดีใหญ่แต่ยังตอบไม่ได้เราก็อธิบายกันศึกษากันแล้วเราก็จะได้เป็นนําพาสังคมอย่างนี้เรียกว่าผู้นําอย่าเข้าใจว่าผู้นําคือแมดาราตุ๊กตาทองแต่งตัวโกโกแต่งตัวรูรูเฟอเฟอ ร, ฟอ ร, ฟอร์เป็นผู้นําเราตายแน่ถ้าเราไปหลงอย่างนั้นเป็นคนเป็นความนํา เศรษฐีนี่โอ้โหกินกินแล้วกินไม่หมดหรอกมีของกินเยอะสั่งมาทีละเต็มโต๊ะแล้วเขาก็กินนิดเดียวอ๊้ดูโกดีกินทิ้งกินขว้างได้ถ้าคุณไปตามผู้นําแบบนี้นะจิบหายเลโลกไหนก็จิบหายสังคมไหนก็จิบหายอ่ะอาตมาไม่ได้พูดหยาบนะนี่พูดความจริงอย่างนี้เพราะเราจะไม่ตามอย่างเศรษฐีขี้ฟุ่มเฟือยฟุ่งเฟ้ออ่าเราจะไม่ตามอย่างคนรวยแบบฟุ่งเฟ้อ ถ้ารวยแล้วก็ไม่สะสมแหมคนนี้ขยันหมั่นเพียรสร้างสรรได้มารวยแล้วก็แจกจ่ายเจือจานไม่กักตุนไม่สะสมเป็นเศรษฐีเงินถังแต่สตังค์ไม่มีโอ้ยอย่างนี้ดีนะเป็นคนทํามาหาได้เยอะนะแต่แจกจ่ายเจอือจาน เ, อ, เ อ, อื้อเฟื้ออุดหนุนจนเจอือคนนู้นคนนี้อย่างนี้เป็นเศรษฐีแท้ เศรษฐีจะไดแต่กัดแต่เก็บแล้วก็ไปจ่ายฟุ่มเฟือยเป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่เลวแบบนี้เศรษฐีอย่างนี้ทําให้สังคมพังมามากกว่ามากหรือเป็นผู้ใหญ่มียศถาบรรดาศักดิ์บริหารแต่เป็นตัวอย่างเป็นศักดินา ข, ข่มขีใช้อํานาจอภิสิทธิ์อะไรมากมายอย่างนี้ไม่ใช่ผู้นําเป็นผู้นำเหมือนกันผู้นําให้สิบหายนําพาไปทางสิบธายอย่างนี้เป็นความจริฟังธรรมะฟังดีๆีนะ เพราะฉะนั้นผู้นำเราจึงเคยกล่าวว่ามันไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ร่ำรวยเลยเป็นผู้ใหญ่ผู้โตมาจากไหนหรอกผู้นำคือผู้มีธรรมะเมื่อมีธรรมะแล้วก็ยืนหยัดธรรมะนี้อยู่ในสังคมเรื่อยไปแม้คุณจะเป็นคนชาวไร่ชาวนาเป็นกรรมกรเป็นพ่อข้าเป็นข้าราชการไม่มียศถาบรรดาศักดิ์แม้จะเป็นชั้นเสมียนแต่คุณมีคุณธรรมคุณนําพาอยู่ในสังคมสามารถยืนหยัดคุณธรรมนี้ไปได้เรื่อยๆไป นั่นคือผู้นำสังคมต้องการผู้นำอย่างนี้ให้มีมากในกลุ่มสังคมแล้วเราจะทำสังคมนี้จเจริญได้นี่เราเกิดผู้นำขึ้นไม่ใี่น้อยแล้วแต่เลยไปหยุดหลงตำแหน่งคำว่าผู้นำละ่ะพอพูดอย่างนี้ก็ต้องขอย้มซ้อน ล, ลงไปอยฉันแอดใหญ่เลยแอดมากๆเป็นผู้นำมากๆแข็งกระดกกระเดกไม่รู้จักยืดจุ่นมัง่งเขาเรียกคนดัดจิร์จนวนไทย มันจะดัดจริตมากไปมันแข็งกระโดกกระเดกผ่าเกินไปก็ต้องระมัดระวังบางทีอยู่ในฐานนะอย่างนั้นมันไม่ควรกระโดกกระเดยอะไรมากนะก็เอาผสมผสมประสานเข้าไปบ้างแต่ก็ยืนหยัดอย่าให้เสียสัจธรรมของเรานะเราเป็นคนอย่างนี้เราเป็นตัวของตัวเองเรารู้แล้วว่าเราได้อันนี้ดีอันนี้แล้วก็ยืนหยัดไว้จึงเรียกมันคุณนํานี่ก็ขอย้าอันนี้อีกนิดหนึ่งก่อนที่จริงหมดเวลาแล้วอาตมาก็มันเบรกแต่ทุกที เทศนาะทีไรเขาให้เวลานี่ทําเสีย